ที่มาปฏิบัติทิวัตปาสุกโตมากันจากหลายทิศหลายทางบางคนก็พึ่งมาบางคนก็มาได้หลายวันวัตถุประสงค์ในการมาก็อาจจะแตกต่างกันแต่เชื่อว่าจานวนมากมาก็เพราะปรารถนาความสงบ ใจเมื่อมาแล้วมาปฏิบัติได้สองสมวันแล้วบางคนอาจจะพบว่าสถานที่มันสงบก็จริงนะแต่ว่ายังไม่พบความสงบในจิตใจเพราะว่าจิตใจถ้ามันว้าวุ่นคลุนคิดทั้งทั้งที่ก็ตั้งใจปฏิบัติ อันนี้ก็เป็นธรรมดานะถ้าว่าเรายัางพบว่าใจนะยังไม่สงบเพียงพอก็ควรจะหาคำตอบให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไรแม้ใจไม่สงบแต่รู้ว่ามันไม่สงบเพราะอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่สำคัญนะ จริงๆแล้วเรามาที่นี่เนี่ยก็เพื่อความรู้อันนี้แหละความรู้เกี่ยวกับจิตใจของเรานะความรู้เกี่ยวกับอาการที่เกิดกับใจไม่ใช่รู้เพียงแค่อาการแต่รู้ว่ามันมีสาเหตุจากอะไรทั้งหมดที่เป็นส่วนของการรู้จักตัวเองนะใจสงบแต่ว่าไม่รู้จักตัวเอง อันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์น้อยนะจริงๆแล้วจุดมุ่ ง, งหมายการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่ได้มุ่งให้เกิดความสงบนะเป็นวัตถุประสงค์หลักนะแต่ว่าเพื่อให้เราได้รู้จักตัวเองเรารู้เรื่องอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะแล้วนะเรารู้จักโลกรู้ นะช่องทางธรรมาหากินนะเรารู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพนะซึ่งก็สัมพันธกับการรู้อะไรต่ออะไรมากมายที่อยู่นอกตัวอันนี้ก็สำคัญอยู่นะแต่ว่าเท่านั้นไม่พอหรอกนะนอกจากรู้ข้างนอกแล้วก็ต้องรู้ข้างในนะโดยพอการนะรู้เกี่ยวกับจิตใจของเรา ให้ความสุขที่ใครๆปรารถนาเนี่ยวิชาความรู้หรือวิชาชีพเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เราได้พบกับความสุขความสะดวกความสบายทางกายได้เพราะว่าวิชาความรู้ก็เอาไปทำมาหากินได้เอาไปดูแลตัวเองนะให้มีสุขภาพพลานามัยดี เอาไปใช้ในการทรมาหากินมีเงินมีทองมีบ้านมีรถยนต์อาจจะรวมไปถึงทำให้มีคู่ครองมีครอบครัวที่มั่นคงมีงานการที่มั่นคงแต่ว่ามันยังไม่ใช่หลักประกันแห่งความสุขที่แท้จริงนะ มันทำได้อย่างมากคือความสุกกายแต่ความสุกกายไม่ว่าจะมีมากมายเพียงใดนะมันก็ไม่เคยมั่นคงหรือยั่งยืนเลยร่างกายของเราดูแลยังไงในที่สุดก็ต้องเจ็บต้องป่วยแม้ขนาดนี้ยังไม่เจ็บไม่ป่วยแต่มันก็ชรามันก็แก่ไปทุกวินาที สมบัตนะิที่เรามีมันก็เสื่อมไปนะทุกวินาทีเหมือนกันรถยนต์บ้านให้ความมั่นคงการงานนะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะเพราะว่าวันดีคืนดีก็ อ, อาจจะตกงานก็ได้และสมัยนี้ตกงานเร็วมากเลย ไม่ทันจะแก่ไม่ทันจ ะ, กะเกษียแล้วก็ตกงานซะแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะพนักงานธนาคารหลายตำแหน่งนะก็ต้องเรียกว่าเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีมาแทนที่เดี๋ยวนี้การโอนเงินไม่ต้องใช้พนักงานธนาคารแล้วไม่ต้องไปธนาคารด้วยซ้ำโอนเงินทางโทรศัพท์ ธนาคารหลายแห่งก็ยุบสาขาอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะมันไม่ใช่เฉพาะพนักงานธนาคารหรอกนะอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะมันก็จะเริ่มแปรเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงในอาชีพการงานเนี่ยแม้ตอนนี้ดูเหมือนมั่นคงนะแต่ว่าอนาคตมันข้างหน้ามันก็ จ, จะ แปลเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักนะตัวเองดีพอโดยเพราะรู้จักเข้าใจจิตใจของเราเมันก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับความผันผลลวนแปรปรวนนั่นได้เพราะว่าแม้ ความสุขสบายจะลดลงหรือแม้แต่จะป่วยกายนะแต่ว่าถ้าใจเรารักษาไว้ดีก็ยังสุขใจได้นะความสะดวกสบายทางกายลดน้อยถอยลงนะความเสื่อมความชราทางร่างกายเกิดขึ้นแต่ว่าใจนะก็สามารถจะเป็นปกตินะหรือสามารถจะเป็นสุขได้ ถ้าว่าเรารู้จักตัวเราเองดีพอที่จริงเดี๋ยวว่าแต่ความความแปลเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับสิ่งของนอกตัวทรัพสมบัติงานการครอบครัวนะแม้แต่ในเวลาที่เราพบประสบกับสิ่งดีๆ เหตุการณ์ที่พึงปรารถนาเอาง่ายๆเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยแม้เราจะไปเที่ยวยไปดูหนังฟังเพลงเดินทางไปต่างประเทศนะหรือประสบโชคลาภเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันอาจจะสุขกายแต่สุกใจอาจจะไม่แน่สมมุติว่าเราไปนะไปดูหนังนะหรือว่าฟังเพลงฟังคอนเสิร์ต ตัวก็ราคาแพงนะสามพันห้าพันคนที่เล่นเขาก็เล่นสุดฝีมือแต่ถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยนะมีความห่วงมีความกังวลเรื่องงานถามว่าเราเที่ยวสนุกไหมสมมติเราไปกินอาหารที่ราคาแพงมิชลินสามดาวนะซึ่งถือว่าเยี่ยมมากทีเดียว บรรยากาศก็รู้นะแต่เราเพิ่งได้ข่าวว่าเพื่อนป่วยหนักหรือว่าแม่ไม่สบายเงี้ยจิตใจเราเกิดหม่นมองขึ้นมาเนี่ยถามว่ากินอร่อยไหมนะอาหารอาจจะอร่อยแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเป็นสุขด้วยเลยเราไปเที่ยวต่างประเทศไปไกลนะถึงอเมริกาไปไกลถึง ยุโรปนะหรือไปญี่ปุ่นเนี่ยเราได้เจอทิวทัศน์ที่สวยงามแต่เกิดใจเนี่ยมันเกิดหงุดหงิดนะหงุดหงิดกับไกด์นะที่หลอกเราหรือหงุดหงิดกับคนที่หรือพึ่งทะเลาะบอกแวงนะกับคนที่มาแลกเงินนะไม่ว่าจะเจอ วิวชิวท็อตที่สวยงามแค่ไหนนะมันก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะอะไรนะเพราะใจใจมันไม่ได้ไปเออไปไปร่วมหรือไปเอาออ้วยนะแม้ว่าสิ่งที่เห็นทางตาสิ่งที่ได้ลิ้มรสนะมันจะวิเศษยังไงแต่ถ้าใจเราเนี่ย มันไม่พร้อมเพราะว่ามีความวิตกมมีควากงังวลมีความห่วงนะหรือว่ามีความขุ่นเคืองมันอย่างมากก็แค่สุขกายนะแต่ว่าใจไม่สุขอันนี้เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยความสุขใจเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราหรือว่าเราได้เสพได้สัมผัสสิ่งที่ดีนะ ไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเท่านั้นนะไอ้ส่วนประกอบที่สำคัญคือใจมันมีคำพูดนะที่เราจะเคยได้ยินแต่อาจจะไม่ได้คิดอะไรให้ลึกซึ้งเท่าไหร่เช่นคาพูดที่ว่าตบมือข้างเดียวเนี่ยไม่ดังเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังหมายความว่าจะทำอะไรเนี่ยถ้าทำฝ่ายเดียวก็ไม่เกิดผล อันนี้บางทีเราก็เอามาใช้กับเวลาที่คนเนี่ยทะเลาะ ก, กันคนทะเลาะ ก, กันเนี่ยเขาก็ต่างฝ่ายต่างโทษกันนะว่าเป็นสาเหตุแต่ที่จริงแล้วเนี่ยจะไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เพราะการที่ทะเลาะ ก, กันเนี่ยแสดงว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปร่วมมือไปร่วมมือร่วมว ง, งด้วยถ้าสมมติว่าฝ่ายหนึ่งดา่าอีกฝ่ายหนึ่งเงียบนะมันก็ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันฝ่ายหนึ่งดา่าอีกฝ่ายหนึ่ง ถูกด่าก็จริงแต่ไม่ด่าตอบนะมันจะเกิดการทะเลาะวิวาทไม่ได้นั่นหมายความว่าเมื่อมีการทะเลาะวิวาสก็แสดงว่าทั้งสองฝนะ่ายไปร่วมผสมโรงด้วยอันนี้เราก็ใช้นะนะสำนวนว่าเนี่ยตบมือข้างเดี๋ยวไม่ดังถ้าฝ่ายหนึงดาฝ่ายหนึ่งเงียบนะมันก็ไม่เกิดการทะเลาะวิวาสกันแต่ที่จริงเราเอามาใช้กับสิ่งที่เราว่าสุขและทุกข์ก็ได้นะโดยเพราะ ความสุขใจความทุกข์ใจเนี่ยความสุขใจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยสองอย่างนะประกอบกันเหมือนกับเสียงดังจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเสียงต้องมีมือสองมือตบนะปัจจัยหนึ่งก็คือนะปัจจัยภายนอกนะปัจจัยภายนอกก็อาจจะเป็นรูปรสกลิกลก่นเสียงที่น่าพึงพอใจหรือว่าเหตุการ นะที่พึงปรารถนานะแต่ว่าถ้ามีตัวเดียว ม, มันไม่สุขใจนะใจมันต้องมีอกป จ, จัยนึงคือปัจจัยภายในก็คือจิตใจของเราหรืออารมณ์ของเรานั่นแหละตังอย่างที่ยกตัวอย่างนะว่าเราไปฟังเพลงดูหนังนะกินอาหารที่อร่อยเนี่ยแต่ถ้าเกิดใจเราไม่ไม่ร่วมมือด้วยนะเพราะใจผวงใจวิตกความสุขใจก็ไม่เกิดขึ้น อันนี้เรียกว่าตกมือข้างเดียวนะมันไม่ดังมันจะดังได้ก็เพราะตกมือด้วยตบมือสองข้างนะก็คือปัจจัยภายนอกก็ดีปัจจัยภายในก็อเอื้อเฟื้อร่วมมือด้วยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งการที่คนเราจะมีความสุขท้งโลกเนี่ยนะจากการเสพการสัมผัสสิ่งดีๆอร่อยอร่อยหรือว่ามีโชคมีลาภ ก, ก็าตามเนี่ยจิตใจก็สาคัญนะเราจะมองข้ามจิตใจไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่ า, าแม้สิ่งภายนอกอาจจะไม่ดีนะแต่ว่าถ้าใจเนี่ยนะยังดีอยู่มันก็ยังพอจะมีความสุขได้นะอย่างที่ก็พูดว่าเนี่ยครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะครับที่แต่ว่าใจเนี่ยนะเป็นอิสระนะใจคิดถึงแต่เรื่องในทางบวก ก็ยังพอจะมีความสุขได้แต่ถึงแม้อยู่ในคฤหาสน์นะเรียกว่าไม่มีเรียกว่ามีความโปร่งโรง่งแต่ว่าใจเนะี่ยมันคับแคบนะเพราะว่ามีความขุ่นมัวมีความกลักุนใจเนี่ยก็คงไม่มีความสุขงั้นการที่คนเราเนี่ยนะปรารถนาความสุขใจเนี่ยนะอย่าคิดแต่เรื่องของการที่แสวงหาวัตถุสิ่งเสพหรือว่าสมบัติ หรือว่าแสวงหาโชคลาภอย่างเดียวนะใจมันก็ต้องร่วมมือด้วยนะนะใจไม่ร่วมมือด้วยนี่เจออะไรก็ไม่มีความสุขนะมีคนหนึ่งเขาเล่าว่าตอนที่เป็นเด็กๆ เ, เนี่ยนะคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยแกเกิดถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสมัยโน้นมันก็คงเป็นล้านอ่ะนะ แกดีใจมากเลยนะแกดีใจมากแกก็ถือชูลอตเตอรี่เนี่ยแล้วก็เดินวิ่งไปที่ตลาดประกาศให้ใครรู้ว่าเนี่ยว่ากูถูกลอตเตอรี่เว้ยนะแกลิงโลดดีใจมากนะเรียวกวกระโดดโลดเต้นเลยกระโดดโลดเต้นแบบที่เรียกว่ามีความสุขอย่างยิ่งซะแล้ว จ, จู่ๆนะแกก็ฉีกลอตเตอรี่ใบนั้น เป็นชิ้นๆเลยนะจีเป็นชิ้นๆเลยตอนนั้นคงทำด้วยความลืมตัวพอรู้ตัวว่าทำอะไรไปนะก็ตกใจเลยนะพยายามที่จะเอากระดาษรอตเตอรี่ที่ถูกเป็นฉีเป็นยิ่งชิ้นมาต่อกันแต่ต่ออย่างไงมันก็มันก็ไม่เป็นรอตเตรี่แล้วะจากคนที่ดีใจนะกลายเป็นเสียใจไปเลย แล้วก็เสียใจจนกระทั่งนะเป็นบ้าไปเลยไอนะ้ตอนที่แกได้ตอนที่แกถูกลอตเตอรี่นี่นะมันก็ถือว่าแกเจอโชคนะแต่ด้วยความที่ลืมตัวนะอารามดีใจจนลืมตัวเนี่ยนะคนเราพอลืมตัวแล้วมันทำอะไรก็ได้นะตอนนั้นแกจะคิดว่าโอ้ยกูรวยแล้วเว้ยต่อไปนี้นะกูไม่เป็นหนี้ใครแล้วนะ แล้วก่อนความทุกข์ต่อไปนี้กูไม่จนแล้วต่อไปนี้กูไม่ทุกข์แล้วไปได้เลยความจนไปได้เลยความทุกข์พอคิดตรงนี้นะมันก็เผอฉีกเลยนะเผอฉีกนะไอตอนนั้นนะทําด้วยความลืมตัวนะโชงเนี่ยมาถึงตัวแล้วนะแต่ว่าใจเนี่ยนะมันไม่มีสติพอใจไม่มีสตินะโชมก็หลุดลอยไปเลย แล้มันไม่ใช่กระหลุดลอยเป่าๆนะไอ้ความทุกข์ก็เข้ามาเสียบแทนที่เลยคือแทนที่แกจะเ อ, อพอแกรู้ว่าไอ้โชคมาหลุดลอยไปแล้วนี่แกก็เสียใจนะเสียใจจนเป็นบ้าเลยรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียที่จริงยังไม่ได้เสียอะไรเลยนะก็แค่เท่าทุนนะใช่ไหมยังไม่ได้เสียอะไรไปเลยแต่แกคิดว่าแกเสียนะแกคิดว่าแกเสียเงินเป็นล้าน พอคิดว่าเสียเงินเป็นล้านเนี่ยมันเสีย ใ, ใจตัวเป็นบ้าเลยอันนี้เรียกว่าคนเราเนี่ยได้โชคนะแต่ถ้าใจไม่พร้อมนะมันเป็นบ้าได้นะหลายคนเนี่ยก็คิดว่าอยากขอให้เกิดโชคลาภแก่ตัวเราแต่ถามว่าแล้วเราคิดจะทําใจของเราให้พร้อมหรือเปล่าถ้าเราไม่ดูไม่ไม่ดูแลจิตใจของเราให้ดีนะ ไอ้โชคราบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นทุกขลาบได้นะนอกจากจะไม่รวยนอกจากจะไม่พ้นความจนแล้วนี่กลับเป็นบ้ายนะอันนี้เรียกว่าได้โชคนะแต่ว่าใจไม่พร้อมแล้วคนเราเนี่ยเป็นเพราะเรามองข้ามจิตใจเนี่ยนะแม้ว่าเราจะโชคจะได้ได้โชคเพียงใดนะมันก็ยังมีความทุกขนะ์หนีทุกข์ไม่พ้น เมื่มาคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักเล่นหุ้นนะตอนนี้ก็ก็เรียกว่าพลาๆแล้วพาวลงไปแล้วนะเมื่อสิบปีก่อนนี่เขาไปเจอคุณป้าคนหนึ่งที่ตลาดหุ้นคุยไปคุยมาคุณคุณป้าแกก็บอกว่าเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยแกขายหุ้นไปล็อตใหญ่ล็อตหนึ่งคุณป้าคนนี้แกไปตลาดหุ้นทุกวันนั่นแล้วก็อาชีพของแกคือซื้อถูกขายแพง แกเก่งกำไรได้แกก็ซื้อหุ้นไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ไปขายพอมันราคาขึ้นแกก็ขายอหุ้นร่อนนั้นนี่แกขายได้กำไร10บล้านเพื่อตามะก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้ากลับตอบมาว่ายินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายวันนี้เนี่ยฉันได้กำไรแล้ว20่ล้านคุณป้าไม่ดีใจนะ ได้10ล้านไม่ดีใจเพราะอะไรนะเพราะแกไม่ได้คิดว่าแกได้สิบล้านแกคิดว่าแกเสีย10ล้านนะเรื่องยังไม่จบเท่านี้นะว่ารุวงขึ้นแกก็หายแกก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเพื่อนตอมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าหายไปไหนปกติแกมาทุกวันมาร์เก็ตติ้งก็บอกว่าคุณป้าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลแล้ว ทราบไมมว่าเข้าโรงพยาบาลพ่ออะไรนะเข้าเพราะว่านะได้แค่10ล้านนะโอ้10ล้านนี่มันเยอะนะแต่ก็อย่างที่บอกแกไม่ได้คิดว่าแกได้สิล้านแกคิดว่าแกเสีย10ล้านก็คงไม่ตายจากลุงคนที่พูดมาสักครู่นี่นะพอลอตเตอรี่ของแกถูกฉีกเป็นชิ้นๆด้วยฝืมือแกเนี่ยนะแกก็ใจหายเสียใจเนะพราะแกคิดว่าแกเสียเงิน สูญเสียเงินเป็นหลายล้านเลยแต่แกก็ไม่ใช่แค่เครียดจนเข้าโรงพยาบาลนะแกบ้าไปเลยแอ้คนเรานี่ถ้าหากว่าแม้จะได้โชคได้ราบนะแต่ว่าวางใจไม่เป็นนะอันนี้ก็มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นสุขได้แถมจะเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเดิมซะอีกคือไม่ถูกเลยเนี่ยอาจจะดีกว่าหรือว่าไม่ได้กำไรจากการขายหุ้นเลยอาจจะดีซะกว่าอีกนะ เรื่องใจสำคัญนะเพราะนั huh. uh ่น huh. จึงบอกว่าการที่เรามาเรียนรู้เรื่องตัวเองเนี่ยสำคัญมากนะและการเรียนรู้เรื่องเรื่องตัวเองเนี่ยนะจะให้ดีก็ต้องเรียนรู้จากการปฏิบัตินะการเรียนรู้เนี่ยมันก็เรียนรู้ได้จากตำราจากคำบรรยายแต่ทั้นไม่พอก็ต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยแม้แต่วิชาทางโลกเนี่ยเราจะเรียนจากตำราก็ไม่ได้เราต้องลงมือปฏิบัตินะไม่ว่าเราจะเรียนนะวิชาบัญชี นะสถาปัตหรือว่าวิศวะยิงแพทย์อะไรนี่ต้องปฏิบัติให้การที่เราจะเรียนรู้เรื่องตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเรื่องจิตใจเนี่ยมันต้องผ่านการปฏิบัตินะแล้วที่เราปฏิบัติมาเนี่ยไม่ว่ากี่วันก็แล้วแต่เนี่ยไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยมันรู้มแล้วจะเป็นความรู้ทั้งนั้นเลยนะขอให้เราหมั่นสังเกตนะการเรียนรู้เรื่องตัวเองเนี่ยนะมาไม่อาศัยการคิดเอาลนะ อาศัยการปฏิบัติและการปฏิบัติส่วนหนึ่งก็คือการที่เราเฝ้าสังเกตจิตใจของเราเนะฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเราไม่ว่าบิกหรือลบการที่เราจะมีความรู้ได้เนี่ยมันจะคิดเอ า, อาเดียวไม่พอนะมันต้องเกิดจากการที่สังเกตด้วยเมื่อทิตทีแล้วนีได้อ่านบทความนะในหนังสือพิมพ์สารคดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักวิจัย ลิงวอกนะบนภูเขาการวิจัยเนี่ยวิธีสำคัญก็คือการเฝ้าดูมันเฝ้าดูมันตั้งแต่เช้านะพอสว่างนี่ก็ก็ต้องไปแล้วนะมันนอนตรงไหนเนี่ยมันนอนตรงไหนก็คอยดูว่าตื่นเช้าขึ้นมามันจะทำอะไรแล้วเขาก็ตามไปเรื่อยๆนะมันมันจะมันจะลงดินก็ตามหรือมันจะกระโดดนะ อาศัยาคาควบกิ่งไม้ไปไหนเนี่ยเป็นฝูงเนี่ยก็จะตามไปเรื่อยๆตามไปตลอดทั้งวันจนกว่ามันจะหาหาที่นอนได้ถึงจะหยุดตามนะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ตามใหม่นะเรียกว่าแทาจะไม่มีเสาวอาทิตย์เลยนะแต่ตใดที่มันยังยังวิ่งยังเล่นยังเดินทางนะเขาก็ต้องตามบางทีไม่ได้กินนะจนกว่ามันจะหยุดพักนะ หยุดพักตอนสายเขาถึงจะได้กินอาหารหรือว่าหยุดพักตอนบ่ายถึงจะได้กินแต่ถ้ามันเริ่มอพยพหรือว่ามันเริ่มเดินนะหรือหรือว่าปีนป่ายต้นไม้ก็ต้องตามไป mm hmm. ก็ทำนี้เป็นปีนะทำนี่เป็นปีใช้สายตาเนี่ยสังเกตสังเกตพฤติกรรมของลิงไม่ว่ามันจะทําอะไรก็ตามนะ แล้สังเกตลิงจนกระทั่งรู้ว่าลิงแต่ละตัวเนี่ยชื่อหน้าตาเป็นอย่างไรสามารถจะระบุชื่อนะสามารถจะตั้งชื่อให้ลิงแต่ละตัวได้ให้เราดูภาพถ่ายนี่นะที่เขาถ่ายมาเนี่ยลิงทุกตัวมันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแต่ว่านัก ว, วิจัยคนนี้เนี่ยเขาบอกได้ว่าไอ้ลิงตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียชื่ออะไรนะเขาตั้งชื่อให้นะเนี่ยการสังเกตของเขาเนี่ยตลอดนะตั้งแต่เช้าจดค่า แล้วก็ทุกวันเนี่ยมันทำให้เขามีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของหลิงนะใจเราก็เหมือนกันนะใจเราเนี่ยนะเราจะรู้จักใจเราเนี่ยก็ต่อเมื่อเราสังเกตจิตใจของเราไม่ว่าในยามไหนเวลาไหนไม่ว่าฟูหรือแฟบไม่ว่าดีใจเสียใจไม่ว่าฟึ่งหรือสงบนะบางคนเนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะอารมณ์ที่เกิดขึ้น ในใจเราได้โดยเฉพาะอารมณ์ฝ่ายลบนะนะเช่นหงุดหงิดคุณมัวโกรธเศร้าอิจฉาพยาบาทเดีย๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เยอะนะคือไม่สามารถจะบอกอารมณ์ของตัวในขณะนั้นๆได้ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงมีอารมณ์อะไรนะท้งนั้นที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเรามันสังเกตนะผ่านการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่เรายกมือไปนะ ขณะที่เรายกมือใจก็รู้รู้ตัวว่ามือเคลื่อนแต่เดี๋ยวมันก็คิดไปโ น, โน่นคิดไปนี่แล้วก็มีอารมณ์ตามมาเราก็สังเกตเรามันสังเกตบ่อยๆเราก็จะสามารถแยกแยะอารมณ์ได้นะว่ า, ามันมีอารมณ์อะไรบ้างนะคนไทยเนี่ยนะฉลาดในการแยกแยะอารมณ์มากตั้งแต่กอก่ถึงอคอโนคูเนี่ย มันมีอารมณ์เชืต่างๆมากมายตั้งแต่กอไก่เช่นกลุ่มใจนะโกรธกลัวไปจนถึงคอนกคู่เนี่ยฮึดฮัดนะเราจะมีคำเนี่ยที่ใช้เรียกอธิบายอาการต่างๆของอารมณ์หรือของใจเนี่ยอย่างละเอียดละอ้อมากตั้งแต่กอไก่ถึงคอนกคู่เลยนะและแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยบางทีก็มีหลายอารมณ์นะเช่นกไก่เนี่ยนะก็หลายอารมณ์นะกลัวโกรธกลุ่มเกลียดนะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้แล้วนะว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยกำลังรู้สึกอะไรหรือกําลังมีอารมณ์แบบไหนนะถ้าถามเนี่ยก็จะตอบไม่ได้จะตอบเป็นความคิดหมดเลยอันนี้พราะเราไม่ค่อยได้สังเกตดูอารมณ์ของเราไม่ค่อยสังเกตดูใจของเราแต่ถ้าสังเกตดูใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นประโยชน์ในการแยกแยะอารมณ์นะแต่มันทาให้เรารู้ว่าอ่ออารมณ์แต่และอย่างเกิดขึ้น จากอะไรนะแล้วเราจะเห็นต่อไปกระทั่งว่าไอความสุขหรือความทุกเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ย ท, ทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสุดสําเร็จได้ที่ใจเนี่ยคำว่าทั้งทั้งหลายเนี่ยก็รวมถึงความสุขและความทุกข์ด้วยนะคนเราเนี่ยนะสุขหรือทุกเนี่ยสำคัญเนี่ยตัวการหรือปัจจัยที่สมัยก็คือจิตใจ นั้นถ้าเราหมั่นสังเกตจิตใ จ, จของเราดีพอเราจะพบว่าอ๋อไอความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงาปล่อยให้ความโกรธปล่อยให้ความเกลียดนะแล้วที่ความกรัวความเกลียดหรือความเศร้าเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันคิดไม่เป็นที่เป็นทางนะ ขณะที่ยกมือสร้างจังหวะหาเดือนจงกรมขณะที่ฟังคําบรรยายใจนคิดไปล้นะถ้าเกิดคิดในเรื่องที่เป็นอดีตที่เจ็บปวดนะก็ทุกข์ก็โกรธก็เศร้าหรือถ้าเผลอคิดไปถึงเรื่องงานการที่ยังค้างคาอยู่ก็เกิดความวิตกกังวลแม้จะกินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะนะแต่ถ้าใจเนี่ยนะ มันคิดไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างมันไม่อยู่กับปัจจุบันนะจะมีความสุขใจได้อย่างไรนะแล้วคนเรานี่ถ้าหากว่าเรารู้จักจิตใจดีพอและสามารถที่จะรักษาใจไว้ได้นะแม้จะเจอความทุกเนี่ยเช่นเจ็บป่วยนะแต่ว่าใจก็ยังเป็นสุขได้มีผู้หญงคนหนึ่งพูดไว้น่าสนใจนะเธอเป็นมะเร็งและหลังจากที่ทุกกับมะเร็งมาเป็นปีปีเนี่ย เธอพบความจริงอย่างหนึ่งนะว่ามะเร็งเนี่ยไม่ได้ทำให้รอยยิ้มของคุณหายไปไอความทุกข์ใจต่างหางที่มันทำนะมะเร็งเนี่ยไม่เคยทำอะไรไม่เคยทำให้ไม่เคยทาให้เราเป็นทุกข์เลยมันมะเร็งไม่เคยทำให้เราเป็นทุกข์ใจเลยมะเร็งมันเพียงแต่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือว่าเกิดความทุกข์ทางกาย คนเราจะยิ้มหรือไม่เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ อ, อะไรเลยเป็นเรื่องของจิตใจตเธอบอกว่ามะเร็งเนี่ยไม่ทำไม่ได้ทําให้รอยยิ้มคุณหายไปไอ้ความทุกข์ใจต่างหากและที่ทุกข์ใจเพราะอะไรทุกข์ใจเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ตอนที่เธอยอมรับความจริงไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นมะเร็งทุกมากเลยรอยยิ้มนี่มีหดหดหายไปเลยแต่พอเธอได้หันมาฝึกปฏิบัติอย่างที่อย่างที่พวกเราทำเนี่ย ไม่ได้ทำแค่ 2-3 สวันนะแกแก็ฝึกปฏิบัตินะเป็นปีจนกระทั่งพะ ว, ว่าอ๋อให้ที่เราทุกเนี่ยนะหรือความทุกข์ใจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากใจที่ไม่ยอมรับเนเธอพูดไว้ประโยชน์หนึ่งว่าในขณะที่บางคนในขณะที่หลายคนคิดว่าความจริงนั้นโหดร้ายความจริงนั้นโหดร้ายหมายความาว่ า, วา ป่วยได้โรคร้ายบ้างหรือว่าสูญเสียพัดพราดจากคนรัก อ, อกหักบ้างนะอันนี้เรียกว่าเป็นความจริงที่โหดร้ายสําหรับบางคนในขณะที่หลายคนคิดว่าความจริงนั้นโหดร้ายแต่การไม่อยอกรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่านะเพราะมันเหมือนคลุกที่ขังใจเราเอาไว้คนที่จะพูดแบบนี้ได้เนี่ยต้องเกิดจากการที่เขาเฝ้าดูจิตใจของเขาส่วนพบว่าอ๋อไอตัวการที่ทําให้เราทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่มะเร็ง แต่มันคือใจที่ไม่ยอมรับต่างหานะถ้าไม่มาสังเกตใจเรานะหรือไม่รู้เรื่องตัวเองกันนะมันไม่มีทางที่จะเห็นแบบนี้หรอกแต่พอเห็นปุ๊บนี้นะมารเรงเนี่ยมันทําให้เขาทุกข์ใจไม่ได้แล้วแล้ที่จริงมารเรงไม่เคยทําให้เขาทุกข์ใจเลยนะมารเรงมีแต่ทำให้ทุกข์กายเขาเพราะความจริงเขาเป็นเพราะใจนะที่วางไว้ผิดใจที่ไม่ยอมรับใจที่ปฏิเสธผักสายไม่ยอมรับความจริงต่างหา นั่นการรู้จักตัวเองเนี่ยมันสาคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นกุญแจที่จะไขให้ใจเราพบ ก, กับอิสระหรือว่าพบ ก, กับความสุขได้แม้ว่าจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็ตามนะการรู้จักตัวเองเนี่ยหรือการรู้จักใจของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญสาหรับคนที่ปรารถนาความสุขและต่อไปเนี่ยความสงบมันก็จะมาเองนะ มันจะมาจากการที่ใจเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ผักใสไม่ปฏิเสธไม่บน่นไม่โวยวายนะเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นกับเราความสงบมันมามันเป็นผลพลอยได้เมื่อเรารู้จักตัวเองเรารู้จักจิตใจของเราและรักษาใจของเราให้ดีเอาคำนี้มาพูดกับท่านนี้นะเอากลับ